วันที่พวกเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคือวันที่หลวงพ่อเวลาสังขารแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเรามันขึ้นอยู่กับตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่อเหตุปัจจัยมาถึงพร้อมนะหลวงพ่อก็จำต้องลาจากพวกเราไปทาเป็นการยากนาะที่เรา จะนึกถึงสถานที่แห่งนี้โดยที่ไม่มีหลวงพ่อคําเขียนอยู่กับเราด้วยเหมือนกับที่เป็นเรื่องยากที่เราจะนึกถึงวัดป่าสุขโตโดยไม่มีหลวงพ่อคําเขียนเพราะว่าถ้ามาไฟหวานนี้ตลอดสี่สิปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะก็มีหลวงพ่อเป็นทั้งผู้บุกเบิกแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการดูแล ทำให้เกิดมีวันนี้ขึ้นในทํานองเดียวกันนะี่วั์ป่าสุกโตหลวงพ่อก็ได้มาบุกเบิกใที่แรกก็มาพร้อมกับมามาไล่หลังหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อบุตรธรรมแต่ตอนหลังท่านก็เป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญไม่มีหลวงพ่อคำเขียนนะ ก็คงไม่มีวันนีนะ้ของบ้านท่ามะไฟหวานแล้วก็คงจะอาจจะไม่มีวัดป่าสุกโตด้วยซ้ำหลวงพ่อคำเขียนเป็นรูปธรรมของความเมตตาาที่เราสัมผัสได้ทุกคนที่ได้รู้จักท่านความเมตตาชักนำให้หลวงพ่อคำเขียนขึ้นมาบนหลังเขาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้า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 บนหลังเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีที่ไปหรือว่าไม่สามารถจะอยู่พื้นราบได้ที่นั่นก็มีความขัดแยง้งที่นี่ตอนนั้นเมื่อ40ปีที่แล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแยง้งทะเลาะเบาแววงกันเพราะไม่มีถือไม่มีแปลกฎหมายก็แผ่มาไม่ถึงแต่เพราะความเมตตากรุณาของหลวงพ่อนะท่านก็เลยรับมาเป็นเจ้าวาดนะที่นี่วัดภูเขาทอง ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนยนะแต่ว่าเริ่มต้นจากติดลบด้วยซ้ําเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่รู้จักสีไม่รู้จักทําด้วยซ้ําท่านเล่าว่าตอนที่ท่านมาย้ายมาที่นี่ใหม่ๆต้องขนขวดเหล้านะออกจากวัดนี่นะไม่ใช่แค่สิบนะเป็น ร, ร้อยขวดเลยเพราะว่าคนนี้เอาเหล้ามากินในวัด แล้วก็ใช้สาราวัดเป็นอ่าเป็นบอนทาเล่งการพ น, นันถ้าต้องมาฟื้นฟูวัดให้เป็นระเบียบนะให้เป็นหลักชัยเป็นหัวใจนะทันธรรมนะของผู้คนแล้วเมื่อท่านมาแล้วนี่ท่านก็ต้องทําหน้าที่คลขข้ายๆกับ ผู้ใหญ่บ้านไกลๆช่วยระงับความขัดแย้งของผู้คนให้กลับมาสามัคคีกันคืนดีกันตันที่นัาไม่ใช่เป็นจุดหมายจุดมุ่งหมายของหลวงพ่อที่ขึ้นมาเป็นหลังเขาเลยหลวงพ่อท่านต้องการมาสอนทำนะเพราะว่าท่านถนัดทางนั้นแต่ว่าเมื่อท่านเห็นความทุกอย่างของผู้คนเพราะความไม่มีขือไม่มีแปลความทะเลาะบอกแรง้งท่านก็เลย รับมาเป็นทั้งผู้นาทางจิตใจแล้วก็ผู้นาของชุมชนไปด้วยในตัวแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยท่านก็สามารถที่จะสร้างศรัทธาให้ผู้คนเนี่ยมีในตัวท่านแล้วก็มีในพัฒ ร, รมคำสอนสามารถจะเข้าวัดเพื่อมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอบปายามุตก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไป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 ตามพ่อแม่เขาไปทำไรท่ทำนานในป่าท่านก็ริเริ่มจะตั้งศูนย์เด็กขึ้นดับเอารูปของเขามาเลี้ยงที่วัดนี้แหละโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ท่านทำนี่มันคือศูนย์เด็กแห่งแรกของจังหวัดชายภูมิศูนย์เด็กแห่งแรกของจังหวัดชายภูมินี่อยู่บนเขานะไม่ได้อยู่เ ม, มือง เด็กให้มีธรรมะแต่ว่าตอนเองก็ให้มีชีวิตที่ปลอดภัยจากโรคโรคาพยพที่น่าเป็นพ่อศูนย์เด็กนะที่ทำให้อัตมาได้มาพบกับหลวงพ่อเพราะว่าตอนนั้นตัมาเป็นโยมตอนนั้นก็ทำโครงการแดนอู้หิวหวยูโหยช่วยเหลือเด็กขาดอาหารในภาคอีสานโดยเฉพาะ ชัยภูมิขัวราศนะ์เมื่อเห็นว่าหลวงพ่อท่านมีกิจกรรมที่น่าสนับสนุนก็เลยขึ้นมาบนหลังเขาตอนนั้นไม่รู้ได้ซ้ำเลยนะว่าท่านเป็นพรวิปัสสนาจารย์หลังก็มาช่วยท่านทำสาก่อนข้าวเพื่อทำให้ชาวบ้านมีข้าวราคาถูกเพราะสมัยนั้นข้าวราคาแพงมากเพราะไม่มีถนน กว่าจะขนข้าวขึ้นมาได้ข้าวก็จะราคาสูงแต่ว่าถ้ามีทรัพยากรขนข้ามาเยอะๆจากชัยภูมิซึ่งตอนนั้นมีถนนแล้วนะก็ช่วยทาให้ข้าวราคาถูกนะชาวบ้านก็สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็เป็นเพราะความเมตตาของหลวงพ่อในครั้งที่ทําไม่ได้ที่จะมาทําเรื่องนี้เลย อาจจะท่านก็ได้มาช่วยพัฒนาชุมชนจนมาทั่งท่านชามาไปหวานก็สามารถจะลืมตาอาปากได้แต่ว่าตลอดเวลาหลวงพ่อท่านไม่ได้ทิดเรื่องกรรมฐานเลยมีแล้วถ้าได้รับผิดนิมนต์ถ้าได้นิมนต์จากหมู่คณะให้ไปแสดงธรรมท่านก็ลงจากเขา ไปแสดงทําตามที่ต่างๆทั้งกรุงเทพหัดใหญ่ขอนแก่นหลวงพ่อท่านไม่ได้สนใจแต่ความทุกข์กของชุมชนแต่สนใจความเดือดร้อนของธรรมชาติหลวงพ่อนี่รักธรรมชาติมากและนั่นคือเหตุที่ทำให้ท่าบ ไ, ไปฝากหลักที่วัดป่าสุขโตนะเพราะนั่นเป็นที่ที่ท่านจะอนุรักษ์ป่าไว้ได้ ตอวหลวงพ่อแล้วธรรมะกับธรรมชาติแยกจากกันไม่ออกหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อท่านได้พศทพร็ท่า น, ท, ท, านท่านก็มีความรักถุงแหงในธรรมชาติมากมท่านก็ได้ทําอนุรักษ์ป่าสุโกโตท่านางที่ยากลําบากมากเพราะว่าคนมาตัดไม้ก็ดีหรือว่าไฟที่มาจากไกล้ข้างเขียงก็ดี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 ท่านก็ทำงานเรื่องสอนธรรมะไปควบคู่กันจนกระทั่งระยะหลังนะท่านก็มาเน้นหนักนะด้านการสอนธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าส่วนงานด้านชุมชนท่านก็ทำน้อยลงอาตมาโชคดีที่ว่าได้มารู้จักหลวงพ่อในฐานะไม่ใช่นักพัฒนาเท่านั้น แต่ว่าแล้วก็ไม่ใช่ในฐานะของนักอนุรักษ์ธรรมชาติท่านั้นแต่ยังรู้จักหลวงพ่อในฐานะที่เป็น อ, อาจารย์กรรมฐานซึ่งเป็นเหตุแท่ตธร ม, มาได้ตัดสินใจมาบวชแล้วก็ความปฏิบัติอยู่กับท่านมาอยู่ที่วัดป่าสุขัโตตั้งแต่ภรรษาแรกก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้รับอ น, นิสงค์จากหลวงพอ่อ เป็นอเนกปริยายเลยเพราะในเรื่องของการเปิดใจให้ได้เห็นธรรมะได้เข้าใจธรรมะหรืออย่าง น, น้อยก็ได้รู้จักตัวเองได้รู้ว่าชีวิตานะที่ควรค่าแต่การดำรงอยู่นั้นมันควรเป็นอย่างไรนะเป็นชีวิตที่ตื่นรู้เป็นชีวิตที่เตียนด้วยความรู้สึกตัว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 ไม่ไปคล้องแวะไม่ผักไสแล้วก็ไม่ขยิบคว้าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างแค่รู้เฉยเฉยในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกุญแจที่จะพาไปสู่ภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือการไม่เกิดพบเกิดชาตินั่นเองคนเราทุกวันนี้นะเขาจะปรุงแต่งพพชาติด้วยอํานาจของอุปาทาน วความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูอยากเป็ น, นโน่นไม่อยากเป็นนี่แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรแม้สมนิทมันก็ยังทุกข์เพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นแล้วนี่จะไม่ดับสิ่งที่เป็นในที่สุดมันก็เกิดชรามรณ ะ, ะก็คือดับไปถ้าอยากเป็นอะไรแม้แต่เป็น ไม่นานก็จะทุกข์เพราะว่าถูกพลากจากภาวะหรือความเป็นสิ่งนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่อยาเป็นถึงแม้ได้เป็นแล้วนะก็สูญเสียสิ่งนั้นไปเรื่องแบบนี้นะถ้าไม่ปฏิบัติก็เข้าใจได้ยากแล้วถ้าไม่เข้าถึงก็ยังต้องมีความทุกข์เพราะความมีความเป็นแ้่คนเราทุกวันนี้ทุกข์เพราะ มีไม่เป็นแล้วก็เป็นไม่ถูกนะครับก็คือมีด้วยความยึดติดแล้วก็เป็นด้วยความถือมั่นหลวงพ่อท่านจำได้นเนสมอเลยว่าเนี่ยถ้ามีสติเนี่มันจะตัวเป็นตัวบุกเบิกในที่ทําให้เกิดปัญญาถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรตลอดเวลาที่หลวงพ่อท่านได้ยังมีสุขภาพดีท่านก็สอนเรื่องนี้แหละ สอนแล้วสอนเล่าทั้งพูดทั้งบรรยายใจที่สมาธิท่านทําให้ดูอยู่ให้เห็นด้วยพวกเราที่ได้การชี้กิดหลวงพ่อก็จะรู้ว่าหลวงพ่อนั้นท่านท่านปล่อยวางมากท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรที่ทําให้ทุกข์แต่ก็ไม่แหนะหมายพราะว่าท่านไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ท่านก็พยายามสอนพวกเราให้ มีหลักมีเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตเลยเพราะผู้ที่เป็นนักบวชจากขณะเดียกันก็ปฏิบัติจนมาทั่งให้เขานะ้าใจว่าการไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่มันสำคัญอย่างไรบ้างผมก็เป็นพระผู้ใหญ่พระมหาเทราที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมากอาตมาก็เห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อสามสิบปีที่แล้วไม้ว่า กับญาติโยมกับเนนกับเด็กเล็กนะอยู่น่านะทักับธรรมชาติแล้วจนถึงวันสุดท้ายนะของชีวิตของท่านก็ยังเห็นเช่นนั้นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ใช่เพราะความเมตตากรุณาของท่านเท่านั้นแต่เป็นเพราะปัญญาของท่านที่ทำให้สามารถรู้ถอนในความมั่นตถึงมันน่นในในตัวกนะูของกูได้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 หลอดอาหารก็ดีหลอดลมก็ดีเนี่ยมันอุดตันท่านแม่สามารถจะทานอาหารคนปกติได้ต้องรับอาหารทางสายยางหายใจก็ต้องหายใจทางท่อซึ่งก็ทำให้เกิดความไม่ใช่แค่อึดอัดนะแต่ว่าเกิดทุกขเวทนาด้วยไม่นับอาการอย่างอื่นนะที่เกิดจากมะเร็ง แต่หลวงพ่อท่านก็จะสามารถที่จะทรงใจเอาไว้ได้แล้วก็พยายามสอนพวกเราอยู่เสมอการที่ท่านไม่สามารถพูดได้นะในแง่นีงก็เป็นข้อเสียแต่ข้อดีก็มีตรงที่ว่าทำให้ท่านเขียนบันทึกให้เราได้รับทราบนะถึงความรู้สึกของท่านตลอด เจ็ดเดือนที่ท่านอาภาพซึ่งที่ท่านบันทึกนั้นเนี่ยก็โดยละแต่มีประโยชน์อาตมาจะคัดข้อความบางตอนที่ท่านเขียนในลองที่อาภาพให้พวกเราได้ได้ฟังกันท่านบอกว่าเวลานี้อยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรลูกศิ์หลวงพ่อเทียนมีธรรมนำพาไม่มีวันตาย เราเหประสบการณ์ตั้งแต่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงขอให้เราตรงพากันปฏิบัติไปจะได้พบเห็นอาการดับไม่เหลือของนามาโลก49ปีที่ผ่านมาคือวันนี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวดีท่า น, นที่ท่านมีทุกข เ, เวทนามากนะแต่ว่านั่นก็เป็นความทุกข์ทางกายแต่ว่าจิตใจของพ่อ ถ้าหนา จ, จะาสุขสบายยิ่งกว่าพวกเราภพอีกแต่ทั้งหมดจทั้งนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในทางทรราชี่ท่านได้พบได้ประจักษ์จากพิปัจฉณากรรมฐานจนกระทั่งเห็นความจริงของสัจธรรมอันนี้แหละคือปัญญาที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะประเชิญกับทุกขเวทนา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 คืออยู่ได้ธรรมไม่ได้อยู่ด้วยความรู้สึกไม่ได้อยู่ด้วยเวทนาไม่ได้อยู่ด้วยความอยากไม่ได้อยู่ได้ความกลัวความโกรธความเกลียดหรือความโลภความหลงแต่อยู่ได้ทำทำนำพาให้อยู่มีได้ความปล่อยวางบางครั้งก็หายใจไม่ได้ก็สนุกไปกับความตายไม่กลัวตายแต่ท่านก็ทิ้งท้ายว่าแต่คนอื่นลาบากกับเรา เวลานอนก็อาจไม่ได้นอนหลวงพ่อเป็นห่วงนะงผู้ที่ดูแลท่านนะซึ่งต้องดูแลกันเรียกว่าแทบจะ24ชั่วโมงตลอด7เดือนหลวงพ่อที่จริงทุกข์กว่าพวกเราแต่ว่าท่านเป็นห่วงนะลูกศิษย์ที่ดูแลท่านทั้งพระทั้งโยมเพราว่าแม้แต่เวลานอนก็อาจจะไม่ได้นอน หลวงพ่อพูดไม่ได้นะแสดงธรรมไม่ได้ด้วยถ้อยคำนะแต่ว่าท่านก็แสดงธรรมให้เราเห็นแมกระทั่งในยามที่อานภาพคือการทําให้ดูอยู่ให้เห็นแต่บางครั้งเรก็มีแม่ตากเขียนบันทึกนะแทนคําเทศนาคําบรรยายของหลวงพ่อซึ่งธรรมชื่อว่านะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งล้ําค่ามา เพราะว่าคําบรรยายของสลวงพ่อหลายครั้งนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ชัดเจนหรือว่ากระชับเท่านี้ท่านอาจจะพูดเป็นเวลาสิบห้านาทีแต่ว่าเมื่อท่านอาภิายเนี่ยท่านไม่สามารถจะเขียนได้ยาวท่านก็เขียนอย่างกระชับแต่ก็ได้ใจความนะพอๆกับคําบรรยายนะสิบห้านาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงซึ่ง น่าจะเป็นนะแบบอย่างให้กับพวกเราหรือว่าเป็นแบบศึกษาหลวงพ่อท่านตรนักดีว่านะว่าอาภัยทางนี้คนะงจะมีความตายเป็นที่สุดนะคงจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เตรียมเตรียมตัวแล้วก็พยายามที่จะสั่งเสียล่ำลาพวกเรา เลวงพ่อท่านผู้ในตอนหนึ่งนะเมื่อสักสองเดือน3เดือนที่แล้วบอกว่าขอสั่งราทุกๆท่านธาตุขันคงอยู่อีกได้ไม่นานแต่ความเป็นไกลณมิตรยังอยู่ตลอดไปธาตุขันอยู่ได้ไม่นานนะแต่ตอนนี้ก็แตกสลายแล้วในส่วนรูปธรรมแต่ว่าความเป็นไกลณมิตรขอให้เราตะหนักว่าท่านยังอยู่กับเรา ถ้เ่เป็นไกรณมิตรกับพวกเราเมื่อใดก็ตามที่เราท้อแท้ท้อถอยหรื อ, ร อ, รอรมีความทุกข์เขาขาเราเลือดว่าเรอรูอร้ถึงคําพูดนี้ว่าความเป็นไกลณมิตรยังอยู่ตลอดไปหลวงพ่อจะยังเป็นไกรณมิตรกับเราอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะยอมให้ท่านเป็นไกลณมิตรกับเราหรือไม่ถ้าถ้าเรามีสติเรามีความสกตัว ก็แสดงว่าหลวงพ่อไม่ไดอยู่ไกลจากเราเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่อยูส่สติไม่รู้สึกตัวจมอยู่ในความทุกข์ัน้นก็ถือว่าเรากีดการท่านออกไปจากความเป็นเกยณมิตรกับเราหลวงพ่อได้พูดอีตอนหนึ่งว่าสั่งรามิสหายทุกท่านธาตุธ์ไม่มีวันที่จะอยู่ได้นานขอให้เน้นสติปัญญาแทน เป็นปากเป็นเสียงธรรมตามที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราถึงที่สุดแห่งทุกได้จริงและท่านก็บอกว่าเวลานี้มีแต่ปล่อยวางไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นคำสั่งเสียสำคัญนะขอให้เน้นสติและปัญญาแทนคอยพวกเราเป็นปากเป็นเสียงแห่งธรรมตามที่หลวงพ่อเทียนสอน แะท่านใค่อยๆควา ม, มากับเราว่าพวกเราถึงที่สุดแห่งทุกได้จริงเพราะว่าท่านก็ได้ถึงไปแล้วท่านไม่ได้พูดหรือรับรองจากการดาวเอาหรือจากการคิดเอาแต่การที่ท่านได้ได้รนรู้ได้ถึงด้วยตัวท่านเองตรงพ่อ ไม่เป็นแต่สอนทำให้เราทั้งในยามปกติอย่างอาภาตทั้งนยามรณาาุภพและสังขาขัก็ยังเป็นธรรมะที่สามารถจะสอนให้กับเราได้ตระหนักวา่าความตายเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองตถตาแต่แต่ตายอย่างไรถึงจะตายอย่างสงบตายดียาตายอย่างไม่มีพูดตายอนนี้ตังหะที่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 ได้ฝากฝังเอาไว้นะว่าเมื่อท่านมนรณภาพแล้วขอให้พิธีศพจับแบบเรียบง่ายให้ระลึกว่าท่านเป็นพระจนอย่าจัดแบบพุ่มเฟยหลวงพ่อบอกว่าท่านไม่ขอรับพระราทางเพลิงศพถึงแม้ว่าท่านจะมีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนั้นได้เพราะว่าเป็นอดีตเ จ, จา้าคณะตำบลหลวงพ่อไม่ขอรับพระราชทานเพลิงศพ แล้วก็งานศพก็ท่านก็อยากให้ทาแบบง่ายๆแทนที่จะสวดอย่างที่เราเห็นกันในงานสพส่วนใหญ่ท่านบอกว่าให้ให้สวดแปลแล้วท่านก็เลือกนะอยู่สองบทนะัก็คือธรรมจักรกัปทานสสูตรอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่แล้วก็อธิธรรมแปลเพราะฉะนั้นที่เราทำอยู่เย็นนี้เนี่ยนะก็คือการทําตามอคําสั่งของท่าน เพื่อให้ไม่ใช่เป็นศักแต่ว่าประเพณีพิธีกรรมที่ไม่มีความหมายพระสวดไปโยงก็ไม่เข้าใจแล้วก็อา จ, จะคุยกันนะแต่ว่าท่านอยากจะให้การสวดมนต์นั้นเนี่ยมีสาระมีความหมายสวดแล้วก็แปลด้วยแล้วก็มีแสดงธรรมท่าก็สั่งเสียอีกหลายอย่างนะที่เพื่อกําชับให้งานศพของท่านนะเป็นไปอย่างไม่ฟุ้งเฟอ้อ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นงานศพของหลวงพ่อเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะแต่เราก็ก็อยากจะให้พวกเราได้อนุโลมหรือว่าทําตามที่ท่านได้าฝากฝังเอาไว้ให้เป็นงานที่มีสาระมีความหมายจนกเข้า่งไปถึงวันที่จะปลงศพท่านนะซึ่งกําหนดให้เป็นวันที่6กันยา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 เพื่อให้เข้าถึงภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดยังอย่างมากในช่วงระยะหลังคำนี้ก็ขอฤทธิ์เป็มตอนนี้กราบขอพรกัน